วัวร้องไห้อาตมาไปถึงเรือนจำและหูโทษที่การรักษาความปลอดภัยไม่ค่อยเข้มงวดนักก่อนเวลาที่จะสอนสมาธิสักพักนักโทษที่อาตมาไม่เคยพบมาก่อนรอที่จะคุยกับอาตมาอยู่ เขาเป็นชายร่างยักษ์ทั้งผมทั้งโหนดเคราวดกหนาและมีรอยสักที่แขนรอยแผลเป็นบนใบหน้าบ่งบอกว่าเขาผ่านการต่อสู้ที่ดุเดือดมาโชคโชนเขาดูน่ากลัวจนอาตมาสงสัยว่าทำไมเขาจึงมาฝึกสมาธิมันไม่น่าจะเข้ากับคนแบบเขา และแน่นอนว่าอาตมาคิดผิดเขาเล่าให้อาตมาฟังว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อสองสมวันก่อนมันทำให้เขาตกใจสุดๆพอเขาเริ่มพูดอาตมาก็รู้ว่าสำเนียงของเขาเป็นสำเนียงไอแลนด์เหนือ เพื่อให้อัตมาได้รู้ภูมิหลังของเขาเขาเล่าว่าเขาเติบโตมาในย่านดุดเดือดอันตรายในเมืองเบลฟาสต์โดนแทงครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบนักเรียนรุ่นพี่ที่เป็นอันธภาในโรงเรียนไถเงินค่าอาหารกลางวันของเขาเขาไม่ให้เด็กชายที่แก่กว่าคนนั้นจึงดึงมีดเล่มยาวออกมาและขู่เอาเงินจากเขาอีกครั้ง เขาคิดว่าอันตพานคนนั้นแกล้งขู่เขาเล่นๆจึงปฏิเสธอีกครั้งคราวนี้เจ้าอันตพานนั่นไม่ถามเขาเป็นครั้งที่สามแล้วมันเสียบมีดเข้าที่แขนของเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบนี้ดึงมีดออกแล้วก็เดินจากไปเฉยๆเขาเล่าว่าด้วยความตกใจสุดขีดเขาวิ่งจากสนามของโรงเรียน กลับไปบ้านพ่อของเขาที่อยู่ใกล้ๆเลือดไหลาอาบแขนพ่อที่กำลังตกงานอยู่ดูบาดแผลของเขาแว บ, บหนึ่งแล้วดึงลูกชายเข้าไปในครัวแต่ไม่ใช่เพื่อทำแผลพ่อเปิดดินชักหยิบมีดทำครัวเล่นใหญ่ออกมาส่งให้ลูกชาย แล้วสั่งให้เขากลับไปที่โรงเรียนไปแทงเจ้าเด็กคนนั้นคืนนั่นเป็นวิธีที่เขาได้รับการเลี้ยงดูมาถ้าเขาไม่ได้โตขึ้นแข็งแรงและร่างใหญ่เช่นนี้เขาคงตายไปนานแล้วเรื่องจำนี้ เป็นเรือนจำฟาร์มเพาะปลูกสำหรับนักโทษที่ถูกจาคุกระยะสั้นหรือนักโทษที่โดนจองจำเป็นเวลานานแต่ใกล้กำหนดจะได้รับการตัดปล่อยพวกเขาจะได้เตรียมรับชีวิตนอกคุกบ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องการค้าในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกยิ่งไปกว่านั้นผลผลิตจากเรือนจำนี้ถูกจัดส่งไปยังเรือนจำต่างๆรอบเมืองเพิร์เพราะเป็นอาหารที่ไม่แพง เนื่องจากต้นทุนต่ำฟาร์มในออสเตรเลียมักเลี้ยงวัวแกะและหมูนอกนอจากการปลูกข้าวสาลีและผักเรือนจำเพาะปลูกแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไม่เหมือนฟาร์มอื่นๆก็คือเรือนจำเพาะปลูกนี้มีโรงฆ่าสัตว์ของตนเองอยู่ในบริเวณเรือนจำด้วย นักโทษทุกๆคนมีงานทำในเรือนจำเพาะโปรคนี้อาตมาได้รับการบอกเล่าจากนักโทษในคุกหลายคนว่างานที่ชาวคุกอยากทำมากที่สุดก็คืองานในโรงฆ่าสัตว์นี่แหละงานเหล่านี้เป็นที่นิยมของบรรดา น, นักโทษคดีอุกจกรันเป็นพิเศษและหน้าที่สุดหิตจนคนคุกจะต้องสู้กันเพื่อจะได้ทาก็คือหน้าที่นักฆ่า ชายชาวไอริชร่างยักษ์ท่าทางหน้ากลัวคนนั้นเป็นนักฆ่าเขาบรรยายถึงโรงฆ่าสัตว์ให้อาตมาฟังราสเตเลต ท, ที่แข็งแรงเป็นพิเศษ เปิดกว้างตรงทางเข้าและแคบลงจนเหลือช่องทางเดียวในบริเวณอาคารกว้างพอแค่สัตว์จะเดินผ่านเข้าไปทีละตัวเท่านั้นถัดจากช่องทางแคบๆนั้นเป็นแท่นที่ยกขึ้นมาซึ่งเขาจะยืนถือปืนไฟฟ้าคอยอยู่วัวหมูหรือแกะจะถูกหมาและคนช่วยกันต้อนเข้ากรวยสแตเลสั้น เขาเล่าว่าสัตว์เหล่านั้นจะต้องกรีดร้องเสมอเสียงแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์และทุกตัวพยายามตะเกียกตะกายจะหนีมันคงได้กลิ่นความตายได้ยินเสียงความตายและรู้สึกได้ถึงความตายเมื่อสัตว์แต่ละตัวเข้าใกล้แท่นที่เขายือนอยู่มันจะดิ้นรนกระเสือกกระสนและร้องโหยหวนสุดเสียง แม้ว่าปืนของเขาจะสามารถล้มวัวตัวผู้ตัวใหญ่ยักษ์ได้โดยการจี้ด้วยไฟฟ้าแรงสูงเพียงครั้งเดียวแต่สัตว์มันจะไม่อยู่นในเงาเขาเล็งได้ตรงเป้าเลยสักครั้งดังนั้นเขาจึงต้องยิงครั้งแรกให้มันหมดสติและครั้งต่อไปเพื่อฆ่าครั้งแรกให้สลบและครั้งต่อไปเพื่อฆ่า สัตว์ตัวแล้วตัวเราวันแล้ววันเราชายชาวไอริชเริ่มออกอาการตื่นเต้นเมื่อเขาเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งมีผลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขาเริ่มสบัดซ้าๆว่าให้ฟ้าผ่าตายเถอะมันเรื่องจริงๆนะ เขากลัวว่าอาตมาจะไม่เชื่อวันนั้นเรือนจารอบๆหนึ่งเพิดต้องการเนื้อวัวพวกเขาจึงกำลังล้มวัวอยู่ยิงครั้งแรกให้มันหมดสติยิงครั้งต่อไปให้มันตายเขากำลังทําหน้าที่ฆ่าอยู่ตามปกติเมื่อวัวตัวหนึ่ง เข้ามาถึงในรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้าหัวตัวนี้สงบเงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงครางหัวของมันก้มต่ำลงขณะที่มันเดินช้าๆอย่างมาดมันราวกับสมัครใจเข้าสู่ท่านประหารมันไม่ได้ดิ้นรนกระเสือกกระสนหรือพยายามที่จะหนี เมื่อเข้าที่แล้วเจ้าวัวตัวนั้นก็ยกหัวขึ้นจ้องมองเพชฌฆาตของมันมันสงบนิ่งสุดๆชายชาวไอริชไม่เคยเห็นอะไรที่แม้แต่จะใกล้เคียงอาการเช่นนี้มาก่อนเลยเขารู้สึกสับสนจนชาไปหมดเขาไม่สามารถยกปืนขึ้นหรือแม้แต่จะถอนสายตาจากสายตาของเจ้าวัวตัวนั้น บัวตัวนั้นจ้องมองลึกเข้าไปถึงใจของเขาทีเดียวเขาหลุดเข้าไปสู่ช่องว่างแห่งกาลเวลาซึ่งไม่สามารถบอกอาตมาได้ว่ามันเป็นเวลา น, านานเท่าใดแต่ขณะที่เจ้าบัวปรึงเขาไว้ด้วยการประสานสายตาเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่สั่นสะเทือนเขามากยิ่งขึ้น วัวมีตาที่โตมากที่ตาซ้ายของเจ้าวัวตัวนั้นเหนือหนังตาล่างเริ่มจะมีน้ําคลออยู่จํานวนของน้ําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสุดที่หนังตาจะรองรับไหวมันจึงค่อยๆไหลรินลงสู่แก้มเป็นสายน้ําตา ร่างพ่าวประตูหัวใจที่ถูกปิดมาช้านานของเขาค่อยๆเปิดออกขณะที่เขามองอย่างไม่เชื่อนะักที่หนังตาล่างขวาของเจ้าวัวตัวนั้นเขาเห็นน้ำคลอคลองอยู่และค่อยๆเอ่อขึ้นเอ่อขึ้นจนหนังตารับไม่ไหวสายน้ำที่สอง จึงไหลรินลงอาบใบหน้าของบัวทำให้ชายผู้นั้นสติแตกไปเลยบัวตัวนั้นกำลังร้องไห้เขาเล่าว่าเขาโยนปืนทิ้งสบถสาบานสุดริษสุดเดชกับเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าพวกเขาจะฆ่าจะแกงหรือจะทำอะไรเขาได้ทั้งนั้นแต่ บัวตัวนี้ต้องไม่ตายเขาจบเรื่องเล่าด้วยการบอกอาตมาว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นมังสวิรัตแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนักโทษคนอื่นในเรือนจำเพาะปลูกยืนยันกับอาตมา บัวที่ร้องไห้ตัวนั้นได้สอนให้ชายที่ดุร้ายมากที่สุดคนหนึ่งให้เข้าใจความหมายของคำว่า care